ท่านพระอาจารย์มั่นมาอยู่กรุงเทพในพรรษาที่แปดท่านพระอาจารย์มาอยู่ที่กรุงเทพที่วัดสากปถุมหรือวัดปถุมวานารามในปัจจุบันมุ่งทั้งการศึกษาและปฏิบัติไปพร้อมๆกันกิจวัตรอย่างหนึ่งคือการเที่ยวไปศึกษาสนทนาและฟังเทศท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันสิริจันโทที่วัดบ ร, รมนิวาสวันหนึ่งขณะกลับจากการฟังธรรมท่านเจ้าคุณกำลังเดินกลับวัดสปประทุมพร้อมเพื่อนสหธรรมิกสี่ห้ารูปคืนเดือนงายพระจันทร์ส่องแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอเดินมาถึงหน้าวังของกรมพระสวัสดิ์ซึ่งปัจจุบัน คือช่างกนปทุมวันก็ลายเห็นวังสร้างแบบยุโรปในความรู้สึกของคนทั่วไปว่าสวยงามดีท่านพระอาจารย์ลายเห็นก็ว่าสวยงามแต่ความต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะพอคิดว่าสวยงามเท่านั้นจิตก็รวมลงไปแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าดินหนุนดินแล้วจิตก็ไม่หยุดนิ่งกลับรวมลงไปอีก แล้วก็เกิดยานขึ้นกำหนดรู้อริยสัจเหมือนพรรษาที่สมที่วัดเรียบเกิดเป็นครั้งที่สองในพรรษาที่8ห่างกันถึง 4-5 หปีก็เหมือนอย่างว่าคือจิตธรรมอริยมรรคที่สองซ้ำของเก่าได้ความรู้ว่าดินหนุนดินคือสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง เพราะธาตุทั้งสีร่รวมกันโดยมีธาตุดินเป็นธาตุนำเพราะเป็นของแข็งเหมือนเอาดินก่อกายกองกันขึ้นมาส่วนธาตุนอกนั้นเป็นธาตุอาศัยท่านพระอาจารย์ว่าได้ความรู้อีกว่าอริยธรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหัวหลักหัวต่อขี้ดินขี้ญ้าฟ้าแดดดินลมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงเดือนดาวนักตฤก์ที่ไหน คำนี้ดูท่านจะย้ำบ่อยธรรมเทศนาส่วนมากท่านจะย้ำคำนี้เสมออริยธรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนโัหลักหัวต่อขี้ดินขี้หญ้าฟ้าแดดดินลมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงเดือนดาวนักขัตฤกษ์ที่ไหนคงตั้งอยู่ที่คนนี่เองไม่เลือกการสถานที่อิริยาบทดูแต่เรานี่สิ ยืนว่ากันกลางถนนในกรุงเทพนี่เลยขาดจิตทำอริยามากนั้นเพื่อนสหธรรมิกเดินล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆเหมือนหมีกินพึ่งท่านว่าอย่างนั้น